กลางฉันว่าดูสีหน้าของแกยังไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะชัยยันเอ่ยเบาๆมองหน้าเพื่อนข่ะแมลงมันไม่ใช่บางอย่างหรอกมันหลายๆอย่างทีเดียวคือเราจะใช้เวลาสักกี่วันจึงจะค้นหาเขาครุฑได้พบและจะมีโอกาสพบหรือเปล่าไม่รู้สิเออหนะ ขนเขามันใหญ่ทั้งลูกอ่ะมันคงหาไม่ยากนักหรอกไม่ใช่หรอกเพื่อนของเขาบอกมาอย่างให้ความเห็นอดีตพรานชดเอา้าขนหนูเล็กๆเช็ดเหงื่อที่ก้านคอมันก็ใช่อะ่ะเขาทั้งลูกก็จริงแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ทางด้านไหนของเขาลูกนั้นไงก็ได้แต่เสียงเสียงเดาๆเอ า, เอาโดยการงมไปทางด้านเหนือแล้วก็โดย ความหวังว่าเรายังไม่ถึงเขาลูกนั้นซึ่งมันควรจะอยู่ทางด้านเหนือเบื้องหน้าที่เราจะบ่ายหน้าไปนี่แหละเออแล้วลุงอิน่แก้ความเห็นว่าไงเชษถาถามมาอีกปากมาถามน้องชายแต่ตามองไปยังครูพรานเท่าซึ่งแกก็นั่ ง, งเงียบเฉยในทันทีที่เชษฐาและช ย, ยันเข้ามาถึออนุชาตอบมาให้แทนว่า ลุงกินแกบอกก็บอกให้เราเดินไปทางด้านเหนือก่อนอย่างที่ผมบอกนั่นนี่แหละครับพอเวลาข้าให้หาที่พักบริเวณที่มองมองเนี่ยจะเห็นท้องฟ้าได้ถ้าทัศนวิสัยดีพอจะมองเห็นดาวพระศุกร์ที่ขึ้นตอนหัวข้าครั้งหนึง่งและจะขึ้นเป็นดาวรุ่งอีกครั้งแกก็พอจะกำหนดทิศ ท, ทางได้แน่นอนขึ้นอีก แต่ถ้าท้องฟ้ามันมีเมฆหมอกบังมองไม่เห็นดาวสุกแกก็ให้ความห็ินอะไรต่อไปไม่ได้มากนักน่ะไม่มีอะไรจะต้องมาวิตกวิจารณมากนักหรอกถีงยังไงพี่ก็ไว้วางใจเธอกลุงอินเสมอแหละเอาเป็นว่าหายเหนื่อยกันอย่างเนี่ยจะได้เดินต่อเราออกเดินทางสายมากนะสาหรับวันนี้ไงไงก็ขอให้ทเวลากันหน่อยเอาไว้พักอีกครั้งตอนบ่ายสองโมงกินอาหารกลางวัน ตอนนี้ยังไม่มีใครหิวไม่ใช่เหรอทั้งคณะเริ่มเคลื่อนที่ต่อไปโดยตัดเข้าบริเวณปา่าทึบดงดิบอันมืดครึมนั้นทันทีภายหลังพักกันประมาณ2ี่สิบนาทีรงเชิงเขาที่ไต่กันลงมาดารินเดินเกาะกลุ่มไปอย่างสงบโดยไม่แสดงความเห็นใดๆทั้งสิ้นความกังวลใจของหล่อนมากที่สุดในยามนี้ก็คือยังไม่เห็นเจ้าด้วย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 ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงรีรีเตรไราบางตอนที่ผ่านเข้าไปแสงตะวันก็ยังส่องลอดลงมาไม่ถึงและบางแห่งก็ต้องลุยน้ําย่าไปในใบไม้แห้งเน่าที่ลึกลงไปเกือบถึงหัวเขา่าและเมื่อจะลึกลงไปกว่านั้นได้นานอินก็จะทําสัญญาณให้เลี้ยเลี่ยงรีกไปเส้นทางอื่นครั้งแล้วครั้งเล่า ดงเถาวันบางแหงหรือต้นไม้ที่มีรากค้อ ย, ย้อยลงมายาวผิดปกติลักษณะเหมือนรากไสรครูพราณเท่าก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะนำเดินเข้าไปใกล้หรือบางทีก็ทำสัญญาณให้หลบห่างออกไปซะซึ่งเชิถาชายันดาริมตลอดจนทุกคนเข้าใจได้ดีว่ามันน่าจะหมายถึงสงสัยว่าจะเป็นพืช กึ่งสัตว์ที่คอยดักจับสัตว์ที่ผ่านเข้ามาเป็นเหยื่อประเภทต้นไม้กิ่ดขนซึ่งในเรื่องสังเกตดูพืชพันธุ์ชนิดนี้ดูเหมือนว่านานอินอันอยู่ในดงมหาภัยมาตลอดทั้งชีวิตของแกและบุกผ่านมานับเขแดนไม่ท่วนแล้วจะมีความชำนาญตรวจได้รอบคอบกว่าระพินใครวันซะอีกอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไป ซึ่งต่างเดินกันไปอย่างช้าๆระมัดระวังเต็มที่สภาพของพื้นดินเริ่มแข็งขึ้นเดินสะดวกมากขึ้นเมื่อนั้นเองทุกคนก็สะดุ้งสุ่ตัวเพราะในความเงียบนั้นต่างได้ยินเสียงช้างร้องแปร็นขึ้นครั้งหนึ่งในระยะที่ไม่ห่างออกไปนะักด้านขวามีด่ดาง กระบอกปลดบูกลงมาจากไหลทันทีแต่แล้วก็ถอนใจออกมาอย่างโล่ง อ, อกเมื่อได้ยินเสียงกระดึ ng อขคอที่ลั่นโกรกเกรกดังตามหลังมาเจ้าด้วนดารินร้องเอ็ดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างดีใจขีดสุดถูกแล้ว เจ้าพลายหางด้วนของหล่อนนั่นเองมันกำลังยืนถมืนอยู่ใต้โคนไม้ขนาดสิบคนอกชูงวงขึ้นเหมือนจะเป็นการทักทายตอเชีฐาชยันอนุชาและทุกคนของคณะหากันยิ้มออกมาได้ไอ้คุณเวนด้วนหากันแทบตายเสือกมาดักรออยู่ตรงนี้เองชยันร้องสะโกนออกไป แต่โดยไม่ปรึกษาใครทั้งสิ้นดารินเปลี่ยนทิศทางทันทีเพราะใจหลอนจดจ่ออยู่แล้วตอนบ่ายหน้าเดินตรงไปยังเจ้าพลายแสนรู้ซึ่งกำลังยืนแว่งงวงชูอยู่นั้นมันก็ยังไม่เคลื่อนย้ายไปไหนคงหยุดยืนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเหมือนจะรอคอยอนุชาโบกมือให้กับทุกคนเป็นเครื่องหมายให้เปลี่ยนทางไปทางด้านที่ดารินมองเห็นเจ้าด้วนอยู่ ตำแหน่งที่มันโผล่มาให้เห็นนั้นสภาพอันทึบของป่าเริ่มจะโปร่งขึ้นบ้างแต่เมื่อตรวจดูกับเข็มทิศปรากฏว่ามันเฉียงไปทางด้านตะวันออกอีกประมาณสิบเก้าที่ดารินเดินตรงเข้าไปก็จะถึงร่างมหงือมาที่โบขูผพึบพับอยู่หลอนก็ร้องบอกออกไปด้วยเสียงใสกังวลว่าด้วนเจ้ารู้ใจพวกเราทุกคนดีอยู่แล้ว ว่ากาลังจะมุ่งหน้าไปพบใครที่ไหนและเจ้าก็น่าจะรู้ดีด้วยว่าเขาควรจะอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นนําทางพวกเราไปเดี๋ยวนี้เลยด้วนเจ้าด้วนหมุนกายอันใหญ่โตของมันอย่างเช่มช้าแล้วเริ่มออกเดินทันทีมันก้าวนําไปเหมือนช้างเลี้ยงดารินหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรก หันมาทางทุกคนที่กำลังเดินตามหลังเข้ามามีใครแย้งบ้างไหมถ้าหากฉันจะขอให้พวกเราทุกคนเดินตามหลังเจ้าด้วนไปอะแล้วถ้ากลางแย้งล่ะช ย, ยันถามมาถ้าแย้งเราก็แยกทางกันเดี๋ยวนี้ได้เลยใครจะไปทางไหนก็ไปแต่ฉันคนเดียวจะเดินตามเจ้าด้วนตามลำพังเราอาจพบกันอีกในหนทางข้างหน้า หรืออ่านไม่พบกันอีกเลยแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันแน่ใจของฉันอย่างเงี้ยแทนคำตอบหรือพูดใดๆให้มากเรื่องอนุชาโบกมือมาให้เป็นเครื่องหมายให้หล่อนเดินตามเจ้าด้วนไปได้และคณะทั้งหมดก็ตามดาริงชูมือขึ้นอย่างดีใจแล้วออกสาวเทาว้าตามรอยเจ้าด้วนที่ดุมเดินเลาะละัดไปตามโคนไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่เบียดเสียดเรียงรายนั้นทันที แล้วทั้งคณะก็ตามกันมาทั้งหมดโดยเปลี่ยนเส้นทางเดินโดยปริยายอตรวจเข็มทิศสิกลางตอนนี้เจ้าด้วนน่ะนานเราบ่ายหน้าไปทางไหนเนี่ยตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแนวป่าที่เดินสะดวกกว่าขนทางที่เราจะมุ่งไปตอนแรกไม่ผิดเส้นทางเดิน ม, มากนักนะตรวด้วยแน่ดิ ก็เบี่ยงออกนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับผมตั้งเข็มไว้เหนือตันหลอดในระยะแรกนี่แต่ตอนนี้ถ้าตามมันก็จะเบี่ยงไปทางตะวันออกบ้างแล้วประมาณ1 0บถึงสิบห้าดกรีก็ลองตามมันไปดูสักระยะหนึ่งก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องสังเกตไปเรื่อยเื่เบื้องหน้าเจ้าด้วนหยุดรีรอยอีกครั้งอาการของมันเหมือนจะหมอบลงเวดารินขึ้นไปนั่งบนคอ ดยที่ตนเองเป็นพาณะสํำหรับหลอนแต่หญิงสาวหัวเราะอย่างดีใจและรักใคร่เอ็นดูตบที่ขาหลังของมันแล้วบอกมาว่าไม่ต้องรอกด้วนฉันจะไม่ขึ้นคอเจ้าเปน็นอันขาดเพราะมันเป็นการเอาเปรียบพวกเราทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงฉันนะเพียงแต่นำทางไม้ดีที่สุดเท่านั้นแหละนำเราไปสู่โชคชยัยอย่านำไปสู่หายนาวิบัต ฉันจะเดินเคียงบาคียงไหลไปกับพวกเราทุกคนจำไว้นะด้วนถึงแม้เจ้าด้วนจะไม่เข้าใจภาษามนุษย์แต่มันก็เข้าใจได้โดยกระแสจิตหรือสัญชตาตญาณมันออกเดินดุ่มดุไปโดยไม่พยายามที่จะเชื้อเชิญให้หล่อนขึ้นคออีกการเดินของมันทอดระยะห่างประมาณ10เมตรเบื้องหน้าเป็นการเดินแบบสบายสบาย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 การระมัดระวังเตรียมพร้อมชนิดที่ปืนทุกระบอกที่จะต้องลงมาประจํามือในท่าเตรียมพร้อมขณะนี้ทุกคนก็ปลอดปลงใจขึ้นสามารถที่จะตะวัดขึ้นไปสะพายไหล่ไว้ได้เพราะแน่ใจว่าถ้าพยันตรายใดๆมันเกิดจะพรวดพลาดจู่โจมเข้ามาเจ้าด้วนจะต้องสันเนียดได้ล่วงหน้าและแสดงอาการเตือนภัยให้ทราบเมื่อมันพานําเดินไปในสภาพปกติของมัน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 ที่มันเคยนำคณะทั้งหมดให้ไปตามจนสามารถค้นพบดารินวราฤทธิ์ได้ในสภาพที่ปลอดภัยซ้อยังฉลาดและแม่นยาต่อเป้าหมายที่สุดเส้นทางเดินของเจ้าด้วนไม่ได้ตรงดิ่งเหมือนขีดเส้นแต่จะเลี้ยวเลาะคดเคี้ยวไปมาหลีกต้นไม้บางแห่งเลี่ยงพงเถาวันบางพงเหมือนเหมือนกับการนำของหนานอินไม่มีผิด เหนือกว่าซะอีกในกรณีที่นานอินน่ะจะต้องหยุดพิจารณาไคร่ครวนอยู่นานก่อนจะตัดสินใจเลือกทางแต่นี่เจ้าด้วนพาเดินหลบหลีกไปได้อย่างคล่องแคล่วเพราะชำนาญจัดเจนเหนือกว่ามนุษย์หลายช่วงตัวนะัะที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือบางขณะมันก็เดินแกว่งกระดึงที่ดารินสั่งให้ทําคล้องคอไวเพื่อลั่นโกรกเกรก ไปตามสบายและบางขณะมันก็ใช้งวงมาจับสายผูกคอไว้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงแล้วก็เดินช้าลงแทบไม่ได้ยินเสียงฝีเทา้าเหมือนจะย่องเพื่อเลี่ยงหลบไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นแล้วคราวใดที่มันเริ่มย่องเดินช้าลงและใช้งวงจับกระดึงไม่ให้มีเสียงย่มนั้น ดารินก็จะปลดไรเฟิลจากไลยมาถือในท่าตเตรียมพร้อมและสอดสายสายตาไปรอบ ด, ด้านตามเงาป่าที่เคลื่อนผ่านเจ้าด้วนเริ่มนำเดินออกสู่ป่าที่มีต้นไม้ยืนห่างๆกันเพิ่มขึ้นทุกขณะแสงตะวันที่ถูกบดบังไปเริ่มทอดแสงลงมาเป็นจุดพราวตามพื้นอีกครั้งโดยสองหลอดเงากิ่งไม้ลงมา สัตว์ประเภทกระรอกใหญ่และชนีเริ่มจะมองเห็นได้ประปรายขึ้นบ้างแล้วโดยทิศทางนั้นแล้วก็เข้าสู่ป่าที่เดินสะดวกขึ้นตามลำดับใบไม้หล่นลงมาทับถมมากนะักมีแง่โคทินผุดโผล่ขึ้นมาจากดินให้เห็นบ้างบางระยะจนในที่สุดก็เลียบไปตามขอบเหวเบื้องล่างอันต่ำลงไป เละเห็นยอดไม้เขียวครึ้มอยู่ด้านล่างและเส้นทางที่เดินไปนั้นราบโล่งเตียนพอสมควรลักษณะเป็นด่านช้างที่ทอดเป็นแนวถนนสูงๆต่ำๆไปในระหว่างฟาหนึงเป็นดงทึกและอีกฟาหนึงเป็นหุบเหวได้ยินเสียงนกยูงร้องอยู่ยังยอดไม้ด้านต่ำลงไปมองไม่เห็นตูแล้วบัดนั้นเอง ก่อนที่จะผ่านซอกหินผาขนาดใหญ่เจ้าด้วนก็หยุดชะงักกึกชูงวงร้องปรันยาวกึกก้องพร้อมกับที่เสียงคำรวอโฮกกระหึ่มไปทั้งป่าอันเงียบกริบทั้งหมดของฝ่ายมนุษย์ที่เดินติดตามหลังมาไหวไกายพร้อมกันดารินผู้เดินล้ำอยู่เบื้องหน้าทุกคนบัดนี้สุดกายวูบลง นั่งคุกเข่ากับพื้นในพริบตาในเมื่อตัวหลอนเองตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะไม่เป็นผู้ลั่นกระสุนปืนก่อนเป็นคนแรกหากไม่จำเป็นจริงๆแต่หลอนก็เฉียบไวพอที่จะไม่ขวางทางปืนของพรรคพวกเบื้องหลังในสิ่งที่พอจะเดาถูกแล้วว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านี้พร้อมกับเสียงคาร้อนกระหึ่มป่านั้น เงาของอะไรชนิดหนึง่งสีเหลืองเหมือนฟางก็ลอยวูบออกมาจากชะงอนหินเกียงไปอย่าบริเวณเบื้องหนะ้าเยื้องไปทางด้านขวามือของเจ้าด้วนเพียงเล็กน้อยลอยละลิ้วยังมุ่งหมายที่จะเกาะลงไปบนคอของคอชสารใหญ่ให้ได้แต่เจ้าด้วนซึ่งไวตัวเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วอย่างเลือดนักสู้ได้ต ว, วัดเวียงงวงเซยขึ้นรับโดยแรงปรากฏเสียงดัง p l a กใหญ่ กระทบเข้ากลางลำตัวของสิ่งที่กระโจนลอยเข้ามานั้นหง ạ กระเด็นทั้งในสภาพที่กระโจนลอยอยู่ไปกลิ้งคลุกใบไม้แห้งกลางทางด่านเบื้องหน้าแล้วโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าสัตว์ร้ายชนิดนั้นได้ตั้งตัวต่อยอีกเลยเจ้าด้วงก็วิ่งปรีเข้าใส่ในระหว่างที่มันยังดิ้นหงายท้องเพื่อจะตะกายสงตัวขึ้นเวลาเดียวกันอีกเงานึง ซึ่งเห็นชัดว่าเป็นการจับคู่ทำงานกันอย่างเป็นทีมเวิร์กที่มอบซุ่มอยู่อีกด้านก็พุ่งลิ้วเข้ากลางทั้งเขี้ยวเลเล็บหมายเข้าทางตะโพกด้านหลังของช้างนำทางทุกสิ่งทุกอย่างเบื้องหน้าขณะ น, นี้มันรวดเร็วชุนลมุนเสียจนดูไม่ทันเสียงไร้ฟ้นจากทางด้านหลังดารินดังประสานติดต่อกันขึ้น เกือบจะเป็นเสียงเดียวกันสองนัดซอนหัวกระสุนผ่านสีสาลอนพร้อมไอความร้อนที่เป่าวูบ ป, ประมาณศพสิ่งที่เห็นเจ้าสีเหลืองตัวที่ผลก็ทางตะโพกด้านหลังของช้างมันทําหน้าที่เป็นมักคุเทศอยู่ในขณะ น, นี้กระโจนตัวลอยหงิกงออยู่กลางอากาศแล้วหล่นลงไปกระทบแงโคหินข้างๆ ริงสะบัดไปสามสี่ท่อเศษหินดินบริเวณที่มันดิ้นชักกระจุยกระจายไปหมดดารินพังภาพกับพื้นเพื่อทำตัวเองให้ต่ำลงไปอีกเพราะไม่แน่ใจว่าวิธีกระสุนจากพักพวกเบื้องหลังจะกินแนวต่ำลงมาถูกหลอนเข้าเมื่อไรก็ย่อมได้ท่ามกลางการชิงเวลาอย่างฉุกและหุกนี้ทันทีที่หลอนเสือกตัวแนบพื้นราบต่า นัดหนึ่งก็สะท้านสะเทือนซ้ำมาจากเบื้องหลังอำนาจแรงอัดของคลื่นอากาศเป่ากิ่งไม้ใบเฟินในบริเวณใกล้เคียงกับที่หลอนหมอบติดพื้นอยู่นั้นปลิวสว่หัวกระสุนมันพุ่งเข้าอัดถล่มไปยังตัวแรกที่ถูกเจ้าด้วนใช้งวงวัดกระเด็นลงไปหมุนปัดอยู่กับที่ทะลุผ่านเข้าสะบักขวาออกซอกขาหน้าซ้าย แล้วงัดก้อนหินบริเวณนั้นให้แตกกระจายเป็นสะเก็ดฟุ้งขึ้นก่อนหน้าที่เจ้าด้วนผู้กล้าหารจะแล่นเข้าไปถึงและทำให้มันต้องหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นแผดเสียงร้องแหลนยาวก้องขึ้นเอ็ดอึง้งเสือใหญ่ขนาดเบงคอแต่มีพื้นของขนเป็นสีฟางแก่ๆทั้งสองตัวนะักบัตนี้ ติดการดิ้นโมเร่นอนตะแคงเหยียดขาเกร็งอยู่กลางทางด่วนส่วนตัวที่ถูกกระหน่ามาด้วยนัดติดตามหายท้องอยู่กระที่ตรงนั้นเองเลือดกําลังทละลักออกมาทางบาดแผลรอยกระสุนเจาะน้องพื้นตรงบริเวณที่มันนอนอยู่ด้วยอํานาจกระสุนชนิดหยุดช้างดารินหันกลับมาทางเบื้องหลัง เอนเห็นอนุชาเชษฐาและหนานอินกำลังกระชากลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือตนซึ่งบัดนี้เงยขึ้นสูงในมุม45องศาและปลอกกระสุนกระเด็นลงไปตกอยู่กับพื้นยังส่งควันอยุ่กลุ่นๆส่วนชัยยันนั้นอยู่ในสภาพประทับไรเฟิลของตนเองค้างเข้าใจว่าคงจะยังไม่ทันได้ลั่นเลยแม้แต่นัดเดียว พวกลูกหับทุกคนยืนรวมกลุ่มกันอยู่กับที่กำลังจ้องเขม็งมาแต่สีหน้าของแต่ละคนดูจะเรียบปกติดีที่สุดเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยพลนพยุงกายจะลุกขึ้นคนเหล่านั้นทั้งหมดก็พากันเดินไต่ทางขึ้นมาบนเส้นทางด่านเชษฐาเข้ามาถึงหล่อนเป็นคนแรกอย่างรวดเร็วหิวปีกช่วยให้ยืนทรงกายหนัดขึ้น บอกมาเสียงเรียบๆว่าไว้ดีมากน้อยที่มอบหลบทางปืนลงสะ ก, ก่อนขอยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์อย่างนี้ตลอดไปนะอนุชานั้นไม่กล่าวอะไรตรงเข้าไปก้มลงมองดูเสือเหลืองตัวที่เขายิงพร้อมกันหนานอินเป็นตัวแรกส่วนเชิฐาและชัยยันตรงเข้าไปยังอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่เจ้าด้วนใช้งวงเสรยรับการกระโดดเข้าใส่ของมัน เพื่อแน่ใจว่าตายสนิทพวกลูกหาบทั้งหลายพากันขึ้นมาชุมนุมอยู่บนเส้นทางนั้นแต่ละคนไม่มีท่าทีว่าจะตกใจอะไรมากนักกับสิ่งที่ชาชินแล้เห็นว่าเป็นเหตุเพียงเล็กน้อยสำหรับเจ้าด้วนมันคงส่งเสียงร้องอย่างโกรธแค้นลั่นป่าอยู่เช่นนั้นหรีหันขวางทําท่าจะเข้าไปกระทึบซ้ำที่ซากเสือทั้งสองตัวแต่ก็ชะงัก เมื่อดาริมปราดก็ไปขวางหน้าและลูกงวงของมันพร้อมทั้งตาวอ่อนหวานปลอบโยนมันจึงมีท่าทีสงบลงได้ยืนตระงานหูพึงอยู่ด้วนเธอกล้าหารแล้วก็มีเลือดนักสู้ทุกหยดอย่างน่าสารรเสริญจริงๆและในครั้งนี้ก็ขอเป็นบทเรียนของเธอด้วยนะด้วนระลึกไว้เสมอ ว่าอย่าพยายามห่างฉันและพวกเรามากนักเกิดอะไรขึ้นแล้วจะช่วยเหลือกันไม่ทันฉันดีใจนะด้วนที่เธอไม่ได้บาดเจ็บอะไรจากเขี้ยวเล็บของมันเลยแต่ถ้าพวกเรายิงสกัดไว้ไม่ทันแม้เธอจะสู้ได้เธอก็ต้องบาดเจ็บบ้างแน่ๆล่ะส่วนช้ยันนะจุปากจึ๊กจักสมบดด่างึมไอ้เว้เนย ไม่ดูตามาตาช้างมั่งเลยเสือกช่วยท่งโจมตีช้างพลายตัวเบื่อความจริงทํามันดักริมทางคอยตะครุบพวกเราคนใดคนหนึ่งที่เดินอยู่ข้างหลังมันน่า จ, จะง่ายกว่านะนานนินหัวร้อฮือฮือบอกมาว่านายทหารเสือนะ่ะนายทหารก็น่าจะรู้ท่ามันกําลังหิวมันก็เห็นช้างตัวเท่าหมู มันเอาทั้งนั้นแหละแล้วความจริงมันก็ฉลาดไม่ใช่งุมมันโง่หรอกมันรู้ว่าทำมาเล่นคนมันจะเล่นได้ยากว่าเพราะถึงกระโดดกัดพวกเราคนใดคนหนึ่งตายมันก็ลาศพไปไม่ได้ที่มันเล่นงานไอ้ด่วนมันรู้ว่าถ้าโดดขึ้นหลังกัดไปไห้เจ็บซะก่อนไอ้ด่วนก็จะเตลิดแล่นเข้าป่าแยกทางจากพวกเราไป แล้วมันก็จะไปรุมกัดซ้ำอีกทีอีตอนที่ไอ้ด่วนแยกจากเราไปเมื่อตะกี้ถ้ายิงกันไม่ทันไอ้ด่วนเจ็บแน่โชคมันดีที่มันเดินไม่ห่างจากพวกเรานักนี่น้อยบอกให้ดวนนำต่อเดินอีกสักชั่วโมงหนึง่งเดี๋ยวค่อยพักกินข้าวตอนนี้คงจะสะดวกขึ้นมากเพราะเดินตามด่านช้างอดีตพรานชด หันมาพยักหน้าบอกกับน้องสาวเบาๆหล่อนจึงหันไปออกคำสั่งทำสัญญาณกระช่างคู่บารมีซึ่งมันก็ปฏิบัติตามในทันทีไม่ได้หันมาใส่ใจพวงอะไรกระซากเสือทั้งสองตัวที่โดดเข้ารุมเล่นงานมันอีกออกเคลื่อนไหวดุมเดินนำต่อไปอนุชาเดินขนาบเข้ามาใกล้น้องสาวนี่ทำอย่างตะกี้ก็ดีแล้วนะแตาคิดว่าตัวเองจะไม่ยิง ก็อย่าไปขวางทางปืนคนอื่นเขาไม่ใช่น้อยจะไม่ยิงหรอกพี่กลางแต่บางเอินไม่ได้มุมถนัดก็เลยหมอบลง้งซะก่อนเพระเชื่อมือของลุงอินแล้วก็พี่ๆทุกคนข้างหลังดีอยู่แล้วอะแล้วก็ขอขอบคุณไรเฟิลทั้งสมกระบอกที่ไม่มีกระบอกไหนตาลีตะเหลือกยิงส่งเดทไปถูกอมกุเทสนำทางเขาเลย มุมที่น้อยอยู่ในขนาดที่เกิดเหตุนํ้ยิงไม่ได้หรอกถ้ายิงแล้วต้องโดนเจ้าด้วนด้วยอืมดีอนุชาครางสั้นๆพร้อมพยักหน้าไม่เ อ, อ่ยอะไรอีกพี่ชายนะทันความคิดอ่านน้องสาวเสมอเพียงแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้น้นทางบนด่านช้างที่เลียบคดเคี้ยว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 ตลอดระยะ 3-4 ชั่วโมงที่เริ่มต้นเดินทางกันมาสิ่งที่พอจะพิสูจน์ได้แน่ๆก็คือไม่มีวิแววหรือร่องรอยของเจ้าพวกอมนุษย์หรือช้างป่าอันมีสภาพตกอยู่ภายใต้มนสะกดใดๆเข้ามาสัมดงอาการคุกคามเป็นอุปสรรคอีกทั้งสิน้นสิ่งลี้ลับหน้าสยองกล้าวเหล่านั้นปรลาศนาการไปอย่างสนิทจมีก็อยู่เพียงครั้งเดียว ระหว่างที่ไต่ลงจากเนินสูงของเส้นทางด้านนั้นทั้งคณะมองต่าลงไปเห็นช้างขโขลงหนึ่งประมาณ3ามสี่ตัวกำลังจะเดินสวนขึ้นมาระยะห่างลงไปประมาณร5 0ยห้าเมตรแต่เมื่อเจ้าด้วนซึ่งเดินนำอยู่เบื้องหน้าส่งเสียงร้องก้องขึ้นเหมือนจะเป็นการข่มขวัญขับไล่ช้างขโขลงเล็กๆ เ, เหล่านั้นก็รีบผลหนีลงจากทางดับลงเข้าป่าข้างท า, างไปในทันที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 ไม่เพ่นพ่านออกนอกลู่นอกทางพ้นจากสายตาไปนี่ถ้โดยท่าทีการนำของเจ้าด้วนมันกำลังจะพาเราลงสู่ดงทึบข้างล่างอีกครั้งอนุชาบอกกับทุกคนขณะที่บุยปากลงไปยังเงาทรมึืนของยอดไม้เบื้องล่างต่ำกว่าระดับขอบทางด่านบนส่วนหนึ่งของสันเขาเชษฐายกนาฬิกาเข็มทิศของเขาขึ้นมาเทียบจับ นี่ก็แปลว่าเริ่มตีวกขึ้นเหนืออีกครั้งถูกต้องไหมครับถูกต้องครับพี่ใหญ่คำนี้เราจะต้องนอนพักกันในป่าดิบข้างล่างนั้นยังเลี่ยงไม่ได้อะก็ไม่มีปัญหานี่อะไรอย่างไหนที่ใดก็ได้สำคัญอย่างเดียวก็คือเราต้องการแหล่งน้ำที่พออาศัยกินได้เพราะตอนนี้น้าเราก็เกือบจะหมดแล้วเชษฐาบอกมาง่าย เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลหรอกครับกราบใดก็ตามที่เรายังอาศัยเจ้าด้วนเป็นตัวนําทางพระช้างก็ต้องการน้ําและอาหารเช่นเดียวกับเราเหมือนกันมันประทังชีพได้ก็แปลว่าเราประทังชีพได้เหมือนกันเออนี่ขอยข้อคิดหือข้อแย้งสักนิดได้ไหมบางทีมันอาจจะเป็นข้อแยง้งหรือข้อคิดที่มันโห่เกินไปก็ได้ในความเห็นของแก เชยันเอ่ยขึ้นเคร่งขืนนานๆสักครั้งเรกที่อดีตนายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายจะมีอาการอย่างนี้เอาว่ามาสิเราหารือกันได้เสมอแหละทุกสิ่งทุกอย่างจะวางรากฐานอยู่บนเหตุผลหลายหัวคิดก็ย่อมดีกว่าหัวคิดเดียวจะปักใจเชื่อเฉพาะชั้นหรือหนานอินหรือแม้แต่เจ้าด่วนไงไงเราก็ยังต้องช่วยกันละ คือในเส้นทางที่เราผ่านกันมาแล้วนี่นะเสียงของชยันแผ่วต่ำดวงตาทอดมองไกลข้ามดงทึบอันกว้างใหญ่ภัยสารเบื้องล่างรงไปยังทิวเขียวครึมที่มองเห็นทาาอยู่กับขอบฟ้าเหมือนฉากวาดเบอร์เบอร์สัตว์ปาธรรมดาทุกชนิดมันผ่านพ้นเข้าไปไม่ได้แต่พวกเราก็สมสารผ่านเข้าไปแล้ว บางทีสามวันเต็มๆหาอาหารหรือน้ำไม่ได้เลยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเดียวแม้แต่พวกมแมลงในสภาพของเส้นทางเดินแบบนั้นคิดกันไว้ล่วงหน้าหรื อ, อยังว่าเจ้าด้วนมันจะกล้านำเราเสี่ยงผ่านเข้าไปในเมื่อตัวมันเองก็ยังต้องการน้ำและอาหารอยู่แล้วก็มากกว่าเราซสีด้วยการมุ่งเทือกเขาในหลักการก็ดี หรือการมุ่งเทือกเขาพระศิวะก็ดีมันก็เหมือนกับที่เราจะต้องยิงจรวดให้มันผ่านพ้นจากชั้นบรรยากาศเข้าไปสู่ชั้นอวกาศด้วยยานธรรมดาคิดกันให้ดีๆในสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นแต่เพียงสิ่งเปรียบเทียบเท่านั้นสมมุติว่าเจ้าด้วนมันเป็นสัตว์ป่าธรรมดาสมรรถนะของมันจะมีมากแค่ไหน ก็อยู่ในชั้นแค่เครื่องบินธรรมดาที่จะบินในเพดานบินที่ไม่เกินชั้นบรรยากาศเท่านั้นมันไม่สามารถจะล่วงพ้นเข้าสู่ชั้นอวกาศได้แน่นอนไอ้ที่เราผ่านเข้าไปได้ในครั้งนั้นเราไปกันด้วยอำนาจปฏิหารหรือะอะไรก็ตามเทียแต่เราก็ดันด้นฟันฝ่ากันไปจนได้ ทีนี้ถ้าเราฝากทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางไว้กับเจ้าด้วนอย่างเดียวแกแน่ใจเหรอว่ามันจะพาเราไปได้ไม่ใช่พาเดินบนอยู่ในแถบที่มัน ส, สามารถจะดํารงชีพอยู่ได้เท่านั้นฉันอาจจะพูดเหมือนกับคนเพอไร้าสาระเกินไปแต่ทุกคนรวมทั้งตัวแกเองก น, นานอินก็เคยได้ผ่านประจุกันมาแล้วนี่ คงไม่ต้องให้อธิบายอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเชษฐาดารินและอนุชามองศบตากันแล้วเปลี่ยนสายตาไปจับนิ่งนานอยู่ที่ใช ย, ยันซึ่งอยู่ในสภาพมือลอยไม่ยอมศบตาใครทุกคนเข้าใจคำพูดเชิงปรารกของอดีตนายทหารปืนใหญ่ดีที่สุด ใหญ่ทีเดียวที่ต่างฝ่ายต่างเงียบกริบแล้วเชษฐาก็พยักหน้าไปทางอนุชาและดารินเอาละ่ะใครมีเหตุผลที่จะค้านหรืออธิบายในข้อกังขาของชยันมั่งไหมไอสิ่งที่ชัยันพูดเราพบเห็นกันมาแล้วเช่นนั้นจริงๆพี่เองก็ยังจำได้แม้กระทั่งเราขาดน้ำาช่จนเกือบตายกันหมดทุกคน แต่ก็ได้อาศัยว่านยาบางชนิดของแงซรายที่ช่วยผ่อนปรนในเรื่องขาดน้ำของพวกเราทว่าก็ต้องทรมานกันเหมือนกระตุกนรกทั้งเป็นและถึงแม่กลางกะลุงอินก็ยังซึ้งอยู่แก่ใจดีแล้วนี่ขออนุญาตให้น้อยได้พูดบ้างได้ไหมคะน้องสาวเล็กของคณะเอ่ยขึ้นแผ่วเบาแต่เน้นหนักในความหมาย พูดสิน้อยบางทีมันอาจจะตรงกับความคิดของพี่ในขณะนี้ก็ได้พี่ชายกลางพยักหน้าบอกมาพี่ใหญ่พี่กลางคะ่ะในสิ่งที่ชา ย, ยันพูดมาตะกี้เนี่ยน้อยยอมรับครับว่าเป็นเหตุผลที่ฟังได้แล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะขัดค้านโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้น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 ที่มันไม่อาจนําเราได้ต่อไปอีกแล้วมันก็คงจะแสดงอาการให้ทราบแต่ก่อนอื่นในระยะนี้มันเต็มใจที่จะไปส่งเราและเราก็ยังหวังอีกประการหนึ่งว่าก่อนที่จะพ้นเข้าเขตที่มันล่วงเข้าไปไม่ได้เราอาจจะพบระพินซะก่อนก็ได้อนุชาดีดนิ้วแรงๆออกมาครั้งหนึ่งก้มศีรษะลง ถูกต้องน้อยมีความคิดอย่างเดียวกับพี่ในเรื่องนี้เราจะตามมันไปเพียงแค่ระยะทางที่มันจะนำไปส่งได้เท่านั้นต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะแล้วทั้งนั้นก็ได้ผลสรุปแล้วมีอะไรข้องใจอีกไหมชยันพี่ชายใหญ่ของคณะหันมาถามเพื่อนรักของเขา ชายันยิ้มให้แก่เพื่อนร่วมตายทุกคนเอาถ้าได้บทสรุปมีเช่นนี้ก็หมดข้อปัญหาละ่ะสิ่งที่จะแนะนำก็มีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นละ่ะคือทั้งกลางและลุงอินจะต้องช่วยกันพิเคราะห์สังเกตให้ดีว่าจะด้วยมันนำเรารุดหน้าเพื่อไปยังปลายแดนหรือว่านำเราเดินป่าเล่นแบบวนเวียนจะได้ไม่เสียเวลา เรื่องนี้รับรองได้เจ้าด้วนมันหลอกต้องฉันก็ลุงอินไม่ได้หรอกและที่สําคัญที่สุดมันก็คงไม่หลอกน้อยด้วยใช่ชัยันเจ้าด้วนจะไม่กล่อนหลอกฉันแน่นอนมาคอยดูกันไปกันแล้วกันดารินวราริศกล่าวอย่างหนักแน่นเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมชัยันสูดลมหายใจลึก บวังว่าทุกคนคงจะไม่เข้าใจฉันผิดนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะแรกรจะสกุลสาวขมวดคิ้วนิดนึงถามมาโดยเร็วเอาก็คิดว่าฉันเกิดลังเลบอดแหกอะไรขึ้นมาแล้วนะสิโธไม่มีใครบางอาจมินน้ำใจของเธอถึงเพียงนั้นหรอกชยยันแล้วก็เป็นการดีแล้วล่ะที่เธอพูดเรื่องนี้ขึ้น เราจะได้กำหนดใจเตรียมพร้อมกันไว้ล่วงหน้าก่อนในแผนการเดินทางข้างหน้าต่อไปถ้าเธอไม่พูดขึ้นฉันก็ยังไม่ได้เฉลียวคิดไปในเรื่องนี้ฉันก็อยากดูพรมแดนการนำทางของเจ้าด้วนเหมือนกันบทพรมแดนของมันจะไปสิ้นสุดเอาที่จุดไหนและมันจะแสดงอาการยังไงให้เรารู้ในกรณีที่มันไม่สามารถจะนำเราต่อไปอีกได้ แล้วพรมแดนของพวกเราล่ะคราวนี้เพื่อนชายถามขึ้นยิ้มยิ้อย่างให้เห็นเป็นเรื่องขันไม่ต้องห่วงในเรื่องนั้นน่ะฉันจะให้มรุตยูหรือท่านท้าวมัจยุราชประทับราววีซาา่าใบพาสปอร์ตผ่านแดนให้กับพวกเราทุกคนนี่ท่านคงจะไม่รังเกียจที่จะสแตม์ไม่รักเพราะคราวก่อนท่านก็ยอมให้เข้าไปได้ทีหนึงแล้วนี่ หวังว่าท่านคงจะจําหน้าพวกเราทุกคนได้คงไม่ต้องสอบสัมภาษณ์อะไรมากนักนะคราวนี้ทุกคนหัวเราะกันขึ้นพร้อมๆกันทำเอานานอินขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่ไม่ห่างออกไปนักพากันหันมามองด้วยความแปลกใจว่าพวกเจ้านายมีเรื่องขำขันอะไรสําหรับดารินนั้นลึกลงไปกลางก้นบึ้งของหัวใจหล่อน เสียงที่เคยปลอบโยนของใครคนหนึ่งยังกังวานส่านไปทุกเส้นเลือดเป็นข้อความว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลง เ, เพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อั ย, ยมาใช่เขาผู้นั้นก็คือรับพินไพรวันนั่นเอง178นักบ่ายวันเดียวกันนี่เองเป็นบ่ายของทางคณะพักค้นหาระเบิดนิวเคลีย ภายใต้การนำของระพินไพรวันได้ผเผชิญกับพายุหมุนกลางทองทุ่งอันเป็นตำแหน่งที่ตั้งของเนินสุสานแห่งมิตรนาครโดยเกิดจ้าละวันคลุกคลักกันอยู่เป็นเวลาพักใหญ่ก่อนที่พายุจะสงบและมักคุเทศนำทางได้ค้นพบสุสานใหญ่ตำแหน่งที่ชัยันกมาเรียเคยเข้าไปติดกับดักอยู่ซึ่งเชิดบุตรและคิดได้ทำการระเบิดเส้นทางอันน่าจะสงสัยได้ ว่าเป็นทางเข้าออกของอมนุษย์ในสุสานเบื้องล่างไม่เปิดโอกาสให้สิ่งใดผ่านเข้าออกได้อีกหรือเวลาอีกประมาณสามสี่ชั่วโมงก่อนที่แสงตะวันจะสิ่งรพินนำคณะนายจ้างตัดท้องทุ่งนังนกว้างใหญ่ไพศาลมุง่งตะวันออกเฉียงเหนือโดยตลอดไม่ได้นำเข้าไปสำรวจตรวจรายยังเนินที่เห็นแวดล้อมอยู่ลิบลบิทั่วไปอีกแล้ว เขาโบกมือเป็นสัญญาณกับพรานพื้นเมืองคู่ชีพทั้งสี่รวมทั้งหัวหน้าลูกหาบโดยชี้มุ่งไปทางขุนเขาไกลลิบที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นการยำ้ำหรือการให้รู้อย่างแน่ชัดว่าจะไม่มัวเสียเวลาสำรวจตรวจสอบที่ใดอีกแล้วกว่าที่อเมริกันนายจ้างทุกคนจะรู้ตัวก็มองเห็นทิวป่าดํามืดเป็นแนวขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าโดยมีชะงอนหินสูง ถูกพาแยกออกเป็นสองส่วนเหมือนจะเป็นช่องประตูปากทางเข้ารังงานชะเงือมดักรอคอยอยู่และเส้นทางของจอมพรานมุ่งตรงไปที่นั่นอย่างเด่นชัดสเตนลีย์ขมวดคิ้วปรึกษาหาเรยกับคิตและคริสติน่าเบาๆเอ๊ทำไมเสือนั่นตรงดิ่งมาทางด้านนี้โดยตลอดเลย เป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มนะก็ไหนเขาเคยบอกกับเราไว้ว่าจะสำรวจดูตามเนินรอบๆด้านให้ทั่วซะ ก, ก่อนกนคงคิดว่าเนินอันเป็นสุสารใหญ่ที่เราวางระเบิดกลบปากทางไว้แล้วคงจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดและไม่ต้องค้นหาเนินอื่นต่อไปให้เสียเวลาแล้วมั้งคริสกราซิปตอบมาขณะนั้นทั้งคณะเดินเข้าขบวนกันไปกลางทุ่ง โดยมีร่างไกงเกลงของสุภาพบุรุษไพรเดินนําในลักษณะขากระเพกเล็กน้อยห่างออกไปเบื้องหน้าไม่เกินสิเมตรเท่านั้นและเป็นการเดินนําไปอย่างไม่เร่งด่วนอะไรนักจึงแทบจะเรียกได้ว่าทั้งคณะเดินเกาะหมูใกล้ชิดไปด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครเดินแยกโดดเดียวห่างไกลออกไปอิสเบนตลอดทั้งวันนี้ แม้หล่อนจะใช้ความมานะฮึดสู้เพียงใดก็ตามแต่จากความทุกข์พลภาพชั่วขนักทำให้กระโปรกกระเปรี้ยลงตามลำดับและอยู่ในระหว่างอาการช่วยขนาบพยุงของเชิดบุตรและคีตคนละด้านล่อนเหนืยระบบต่อบาดแผลที่ซวงอกใชยจนไม่มีแรงจะพูดหรือแสดงความเห็นใดๆอีกทั้งสิ้นนับตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาเดินกันมา ภายหลังแผลอยากเนินสูตรสารใหญ่ลูกนั้นแล้วและแล้วเหมือนจะรู้ใจของพรกพวกด้านหลังพรานใหญ่หยุดยืนรออยู่จนกระทั่งพวกนั้นเดินเข้ามาทันตัวเขาเองโบกมือให้บุญคําและลูกหาบทุกคนเดินล่วงหน้าไปก่อนเป้าหมายคือตําแหน่งประตูผานั้นเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนสักครู่เถอะครับผมรู้สึกว่าเบนจะเหนื่อยมากแล้ว เขาเอ่ยขึ้นเบาๆพร้อมกับหย่อนกายลงนั่งราบกับพื้นหญ้ายังบริเวณที่หยุดอยู่นั้นทำให้สเตลลีคริสตินา่ารวมทั้งเชิดบุตรกับคิดที่ประคองเบนกันอยู่คนละข้างทิ้งกายหวบลงไปด้วยทุกคนชุ่มโชคไปด้วยเหงื่อเหมือนอาบน้ำโดยเฉพาะแม่ผมแดงพอพักการเดินก็ตะแคงซบลงไปนอนกระท่อนแขนตนเองหน้าซีดเผือน หายใจทางปากคริสติน่าเอาผ้าขนหนูเล็กๆราดน้ำจากกระติกพอชุ่มแล้วเข้าประคองใบหน้าของเพื่อนสาวขึ้นแปะซับเหนือรูปใบหน้าให้แล้วตรวจจับชีพจรอีกใจหนึ่งก็บอกมาว่าขอบคุณที่พักเบลเหนื่อยมากจริงๆนิรภิน ในคุณบอกว่าจะสำรวจตำเนินต่างๆที่เราเห็นแวดล้อมอยู่อีกหลายลูกในแถบที่เราสงสัยว่าจะเป็นสูตสารโบราณพวกนั้นแล้วทําไมถึงได้พลเดินมาทางนี้ตลอดไม่ได้ค้นหาไปทางที่ไหนอีกเลยอะคุณอเมริกันอาวุโสถามมาผมเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วละ่ะด็ อ, อร์ก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาเปล่าจอมพรานตอบง่ายๆ เปิดจุกกระติกน้ำออกช้าๆแล้วกรอกเข้าปากไปอีกอึกนึงเอาแขนเสื้อป้ายริมฝีปากเหงือบนใบหน้าเตรียมกล้านของเขาเพียงแค่ซึมๆเท่านั้นในขณะที่ฝ่ายนายจ้างชุ่มกันไปหมดราวกับอาบน้ำผมว่าทรามวัวแต่เสียเวลาค้นหาสุสารที่สงสัยว่าจะเป็นที่เก็บซากมัมมี่เหล่านั้นให้ทั่วแล้วหาทางระเบิดลบเส้นทางเข้าออกให้หมด ผมว่าเราคงไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนคืบหน้าคงต้องป้อนเปลี่ยนอยู่แถบนี้ไม่น้อยไปกว่าสามสี่วันแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะค้นมันพบหมดทุกแหล่งหรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าเข้าเส้นทางของเราดีกว่าเอาแล้วถ้ามันยกขยงเป็นกองทัพออกมาเล่นงานเราอีกอะคุณนายคิดรองบอกมาเบา ถ้าเป็นอย่งงางนั้นเราก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งครั้งไปแล้วครับเชื่อมั่นว่าต่อไป น, นี้ไงๆมันก็น่าจะเบาบางลงแล้วเพราะสูตสารใหญ่น่ะถูกกลบสนิทต่อให้มีซากของพวกมันกระจัดกระจายอยู่ในที่อื่นๆอีกบ้างก็คงจะไม่มากนักแล้วเราก็จะไม่เสียเวลาอยู่ที่ดินแดนนันเป็นนครดึกดาบันทแห่งนี้อีกแล้วล่ะอุ๊บบะเปลี่ยนแผนเอา ง, ง่ายๆแบบนี้เองเลย นเอกแห่ง U.S. Army ครางออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความพิศวงแผนทุกชนิดมันเปลี่ยนได้แล้วแต่ความเหมาะสมนา ย, ยาเป็นทหารใหญ่นายก็ควรจะรู้ดีอยู่แล้วนี่นขนาดไม่ได้เสียเวลาค้นหาอะไรอีกเลยแล้วก็เดินกันมาตามสบายแท้ๆเบลก็ยังมีอาการว่าจะไปไม่ไหวอยู่แล้วแล้วทำไมคุณไม่บอกเราล่วงหน้ามาั่ง กระพินสไตลลีตั้งคําถามมามั่งก็ไม่จําเป็นต้องบอกหรอกครับด็อร์เหตุการณ์ที่เห็นมันก็เป็นการบอกชัดอยู่แล้วนี่ผมไม่หวั่นในเรื่องที่จะถูกดักโจมตีจากพวกมันในรูปแบบใดอีกแล้วทั้งสิน้นเพราะที่มีเจตนาไว้แต่แรกก็ได้ทําสําเร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ผมแน่ใจว่าแรงที่มันยกพลออกมาเล่นงานเราได้มากที่สุด เป็นแหล่งที่เราระเบิดไปแล้วสองตำแหน่งนั่นแหละคือสุสานของกษัตริย์และสุสานของแม่ทัพขุนศึกทั้งหลายศพของผู้คนในนิทรรนครยุคนั้นที่จะอาบยานำเข้าไปเก็บไว้ก็คงจะมีแต่ศพของบุคคลสําคัญชั้นกษัตริย์ขุนศึกแล้วก็ข้าราชบริพารชัน้นสูงเท่านั้นแหละพวกคนธรรมดาสามัญเชื่อว่าคงจะใช้วิธีฝังหรือเผาทาลายไปเมื่อใครได้ตายลง เขาคงไม่สร้างสุสานเก็บมัมมี่ไว้เป็นจํานวนมากแห่งนักรกเพราะฉะนั้นเมื่อระเบิดตรอบสุสานทั้งสองแห่งสําคัญไปได้แล้วก็ไม่น่าจะต้องกังวลอะไรกับไอ้ผีดิบพวกนี้อีกเราเสียเวลากับมันไรมามากละมันดึงเราออกนอกเส้นทางแล้วก็ท้าทายให้มาทําสงครามสู้รบชัแทบเป็นแทบตายเพราะเราไปกังวลอยู่กับมันมากเกินไปต่อไปนี้ เราจะเข้าเส้นทางของเราอย่างจริงจังสักทีผมเชื่อว่าถ้าเราออกพ้นรัศมีมันมากเท่าไหร่การดักราวีรบวนก็จะลดน้อยลงไปเท่านั้นและถ้าจะพูดถึงยุทธวิธีเราก็ทําความเสียหายย่อยยับให้กับมันมากแล้วโดยบุกเข้ามาทําลายจนถึงขุมกําลังของมันทีเดียวเรารู้สึกว่าคุณเริ่มมุ่งตะ ว, วันออกเฉียงเหนือเลยนะ ระพินยิ้มให้คริสตินานิดหนึ่งก็แปลว่าเข็มทิศของคุณยังใช้การได้ดีหมายความว่าไงหลอนถามมาโดยเร็วเอา้าก็หมายความว่าคุณละเอียดรอบครอบอยู่เหมือนเดิมมาสิแล้วก็ตรวจเข็มทิศเพื่อจับเส้นทางของผมอยู่ได้ตลอดเวลาน่ะสินี่ระพิน ฟังจากหางเสียงที่คุณพูดแล้วรู้สึกว่าจะมีความหมายมากกว่านั้นนะจอมพรานไม่ตอบตรงคำถามแต่ย้อนถามกลับมาว่าเบรเป็นไงมั่งอะ่ะผมคิดว่าตัวยาและปลาสเตอร์ของคุณคงจะผนึกแผลได้มั่นคงดีนะคงไม่ปล่อยให้เหงื่อเข้าไปกระทบปากแผลได้ไเดี๋ยวพักกันพอยเหงื่อแห้งแล้วเราจะเดินต่อไปอีกสักไม่เกินสามไม ตรงที่เห็นเป็นชะง่อนหินใหญ่สองลูกใคล้เสาประตูน่ยเราจะหยุดพักกันแล้วล่ะสําหรับวันนี้ตอนนี้ผมขอให้คนของผมกับพวกลูกหาบล่วงหน้าไปก่อนเพื่อหาที่พักแล้วก็จัดเตรียมอาหารไว้ให้และสําหรับเบลในคืนนี้ผมอยากจะให้หมอคริสติน่าผู้ถูกยึดใบประกอบโรคศิลป์ช่วยดูแลรักษาพยาบาลเธอให้ดีที่สุดด้วยจะทํายังไงก็ได้จากวิชาแพทย์ที่คุณมีอยู่เต็มเปี่ยม ทำให้เบลมีสุขภาพแข็งแรงกลับคืนมาโดยเร็วที่สุดอย่าให้มีไข้แทรกซ้อนหรือสุดลงไปอีกเพราะพรุ่งนี้เราอาจจะหนักกว่าวันนี้คริสติน่าอึ้งไปคิดถามมาเสียงต่ำๆว่านี่ถามจริงเหรอเพินนายจะพาพวกเรามุ่งหน้าไปทางไหนต่อนี่ ก็ท้งไหนที่เครื่องบ5ห้าสบสองกไระเบิดอับปีของพวกนายตกอยู่ก็จะมุ่งหน้าไปทางนั้นแหละแล้วนายรู้แน่แล้วเหรอว่ามันตกอยู่ที่ไหนระพินบุ้ยปากไปยังขุนเขาจรดขอบฟ้าอับแดด where the sky meet the mountain the day meet the night o l somewhere over the rainbow ทุกคนฝ่ายนายจ้างพอแข็งกันไปหมดคริสทำปากหมุกหมิบเหมือนจะสาบแช่งเขาสแตลีเอาหลังมือขยี้ปลายคางคริสนะ่ะทอดดวงตาสีฟ้าคมปราบจับนิ่งมาที่เขาแล้วยิ้มออกมานิดนึงพึงพั่มนี่คุณฉันรู้มานานแล้วนะ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 ไกลลิฟต์ออกไปเบื้องหนะ้ากลุ่มพรานของระพินและพวกลูกหาบกําลังเคลื่อนขบวนมองเห็นเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวเล็กๆใ ก, กล้ช่องเขาขาดเข้าไปทุกขณะระพินดึงวิทยุขึ้นมาจากเข็นขัดเขากดคีย์กรอกคำพูดลงไปบุนคำใจใหญ่ๆก็ได้ยินเสียงแห้งๆจากพรานเท่ามือขวาของเขาแววตอบออกมา ว่างายนายเมื่อไรจะตามมาสักทีเออเดี๋ยวไปร้อยแมมเบลพักอีกสักนิดนึงถึงใต้ช่องเขาแล้วก็วางแคมป์ตรงนั้นเลยจัดเตรียมหุงหาอาหารอย่างที่สั่งไว้แล้วด้วยเสียงบุญคำตอบรับมาแล้วก็เงียบไประพินไม่สั่งการอะไรอีกเนบวิทยุไว้ตามเดิมตามองไปที่เบล ซึ่งบัตรนี้นอนหายใจแผ่วยสีสากา้อยู่กระตักของคริสติน่าแล้วยิ้มออกมานิดหนึ่งอย่างอดนิยมในความเป็นเพื่อนแท้ของสองสาวไม่ได้ในภาวะปกติแล้วทั้งเบนและคริสติน่าจะต้องมีเรื่องต่อปากต่อคํากระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาก็จริงอยู่แต่เมื่อถึงวาระจาเป็นที่จะต้องให้ความร่วมมือเกื้อกูลกันแล้ว ทั้งสองก็รักใคร่สามคัคคีห่วงใยซึ่งกันและกันมากถึงสแตนลีหรือคีตก็เช่นกันทำให้บังเกิดความเชื่อมั่นได้เต็มที่ว่าคนเหล่านี้ย่อมจะบุกบันไปกับเขาได้ทุกหนทุกแห่งไม่น้อยหน้าไปกว่านายจ้างคณะเก่าซึ่งมันก็ผิดจากความคาดหวังแต่แรกของเขาไปมากทีเดียวและที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนสามารถเข้ากับเขาได้ ในทุกสภาวะการซึ่งนี่เป็นสิ่งจำเป็นสุดยอดในการเดินทางท้ามรุตยูระหว่างพักขารอให้เหงื่อแห้งแต่ลีถามเสียงต่ำๆมาว่านิรพินในฐานะของนายจ้างและในฐานะของหัวหน้าคณะถ้าผมจะสั่งให้คุณถอยกลับคุณจะว่ายังไง ระพินเปลี่ยนสายตาไปประสานอเมริกันอวโุโสยิ้มบางๆยังปรากฏอยู่ที่ริมฝีปากบนใบหน้าเกรียมนั้นทำให้แลดูอ่อนโยนลงด็อเตอร์ครับผมก็จะไม่ขัดคำสั่งหรอกครับและโดยแท้จริงแล้วก็จะดีใจมากครับผมจะได้กลับบ้านสักที แต่ผมอยากจะเสนอว่าขอโอกาสหรือเวลาให้ผมอีกอาทิตย์เดียวแค่เจ็ดวันเท่านั้นครับนับจากนี้ไปถ้าพวกคุณยังคิดว่าผมนำทางมาอย่างว่างเปล่าไม่ได้ผลคืบหน้าอะไรเลยผมก็จะนำกลับแต่ขอโอกาสให้คนนำทางอย่างผม ได้มีโอกาสแสดงฝีมือให้ปรากฏหน่อยด้วยครับไหนๆพวกคุณก็อุสตส่าห์เจาะจงมาที่ตัวผมโดยตรงแล้วในการเดินทางครั้งนี้อีกเจ็ดวันน่ะระพินแต่ลีเน้นคําเอียงคอมองอย่างสงสัยครับอีกแค่เจ็ดวันเท่านั้นล่ะครับผมจะพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นว่า ที่เจาะจงมาว่าจ้างหรือจะบีบบังคับใดๆก็ตามเกี่ยวกับ ง, งานชิ้นนี้พวกคุณไม่ผิดหวังแล้วครับนี่นี่แปลว่านายแน่ใจว่าจะต้องพบซากมีห้าสิบสองไอ้ที่หายสาบสูญเครื่องนั้นเหรอคิดร้องมาเสียงสูงใช่แน่ใจแล้วก็ขอให้กำลังใจพวกนายทุกคนด้วยว่าอย่าเพิ่งท้อถอย ฉันจะต้องนำทางไปจนพบให้ได้ให้พวกนายได้เห็นกับตากันทั่วทุกคนแต่ไอ้ส่วนจะกู้ระเบิดกลับคืนไปได้ตามที่ต้องการไว้ยังไงหรือไม่ฉันไม่ขอรับรู้หรือรับรองให้ทุกคนของฝ่ายเมริกันและแม้แต่เชิดบุตรเริ่มหูพึงขึ้นมาทันทีตาเริ่มสาสตร์ประกายแห่งความหวัง ขนาดเบนซึ่งนอนหนุนตักคริสติน่าอยู่ก็พยุงกายขึ้นมานั่งทันทีจ้องหน้าเขาระพินนี่คุณทำให้พวกเรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นมากเหลือเกินนะถ้าคุณแน่ใจเราก็มีความหวังเพิ่มขึ้นนะเบนครับพยายามทำตัวของคุณให้แข็งแรงซะโดยเร็วเถอะครับและจงชเชื่อผม ว่าเรามีความหวังเต็มเปลี่ยนผมมีข้อแนะนําอย่างจริงใจครับและขอแนะนําเป็นครั้งแรกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้พวกคุณเลิกหวังที่จะใช้วิทยุติดต่อเครื่องใหญ่นั่นอย่างเด็ดขาดสักทีถ้ามันยังเป็นบ่าไม่สามารถจะติดต่อกาสูนย์บังคับการของพวกคุณได้ ก็แปลว่าเรามีความหวังที่จะพบซากเครื่องอับปางนั่นแน่ครับแต่ถ้าต เ, เกิดติดต่อได้เมื่อไหร่ก็เลิกกันเดินให้ตายเราก็คนไม่พบหรอกครับทำไมอะ่ะระพินทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยสแตนลีย์คิดและเบลถามขึ้นพร้อมกันราวกันนัดกันไว้ ยกเว้นคริสติน่าและเชิดบุตรเท่านั้นที่จ้องเขาอยู่นิ่งๆพรานใหญ่ยักษ์ไหลขอโทษครับผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายได้ในข้อนี้ครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนี่นี่นี่แปลว่าคุณรู้ตำแหน่งตกแน่นอนของเครื่องบีห้าสิบสองแล้วเหรอ ไม่รู้ผมก็ไม่ขอเวลาพิสูจน์จากพวกคุณนะครับเดยขอร้องให้เดินทางต่อไป ท, ทั้งที่ตัวผมเองก็อยากกลับบ้านเต็มทนเหมือนกันครับเอาละระพินทั้งนั้นกรุณาบอกให้พวกเรารู้สักนิดได้ไหมว่ามันตกอยู่ที่ไหนตามความคิดหรือเข้าใจของคุณก็ได้ คริสติน่าเอ่ยขึ้นอย่างช้าๆชัดถ้อยชัดคำก็ผมบอกแล้วไงว่าตำแหน่งอันเป็นที่ขอบฟ้าจรดขุนเขาที่วาจรดราตรีหรือที่ใดที่หนึง่งบนเส้นทางของสายรุง้งเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะรู้เองครับ ว่ามันอยู่ที่ใดโอ้ไมค์กอดเบรคครางเสียงแผวทันตาหลือส่วนคิดหันไปส ก, กิดเข่าสแตนลีบอกมาห้าวห้าวอ่ะเฮ้ยเหมือนคำพูดของคนบ้าหรือไม่ก็คนเมาแต่ดูแล้วไอ้หมอนี่ก็ไม่ได้บ้าแล้วก็ไม่ได้เมาเนี่วะ่ะฮึแต่ข้าบ้าหรือข้าเมา าก็พาเองไปตายขงต่หาใชภายในไม่เกินเจ็ดวันแรกที่ออกเดินทางมาแล้วรู้ไว้ด้วยไอ้งัางคิดกัะพินตอบมาเรียบเรียกหน้าตาเฉยนายคิดเงียบกริบไม่ต่อลาอตอเถียงอะไรอีกแม้แต่คนเดียว